วันอาทิตย์ที่21มกราคม2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทตยอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาสาธุชนที่เคารพพระสูตรในวันนี้เป็นสูตรที่มีชื่อว่าปฐมญาณปฐมมชานปฐมญาณวัตถุสูตรชื่อของสูตรก็แปลว่าเรื่อง ที่ตั้งของยานที่หนึ่งคำว่าที่หนึ่งเป็นตัวเลขที่บอกลำดับสูตรเพราะเหตุว่าประสูตรที่มีชื่อว่ายานวัตถุสูตรมีสูตรที่สองอีกสูตรหนึ่งที่ท่านเรียกว่าทุติ ย, ยานวัตถุสูตรซึ่งจะได้กล่าวถึงประเภทของยานหรือชนิดของยานว่ายานคือความรู้ในปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจัการนั้นมีกี่ชนิดเรารู้ว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีจํานวนองค์สิบสองเนี่ยมีฐานะเป็นอารมณ์ของวิปัสนาคือตัววิปัสนาณะอันหนึ่งในแก่สัมปชติสัมมัจจะยะที่กําหนดที่เจริญที่ทำความรู้ในปฏิจจ์แต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่ตัวปฏิจจสมุปบาทเป็นคนละส่วนคนละตัวกัน เมื่อบุคคลกำหนดรูปปฏิจจสมุปบาททั้งสิบสององค์ตามเงื่อนไขหรืออย่างครบถ้วนในทางหลักของผู้รู้แล้วยานแน่ว่าโดยองค์ธรรมจะคือปัญญาเจตสิกตัวเดียวแต่ท่านก็เรียกเป็นหลายอย่างเรียกเป็นหลายยานหลายชนิดโดยจำแนกไปตาม องค์ของปฏิจจสมุปบาทเมื่อจําแนกไปตามองค์ของปฏิจจสมุปบาทควรจะมีแค่สิบสองก็มีมากกว่าสิบสองคือกลายเป็นสี่สิบสี่นั้นก็เนื่องจากว่าการกําหนดรู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์แต่ละองค์งนั้นมีอาการรู้เป็นองค์ละสี่ละสี่เลยกลายเป็นสี่สิบสี่ ท่านเรียกว่ายานวัตถุ44สูตรถัดไปเนี่ยเป็น77นะสูตรนี้นะ44 77ก็หมายความว่าความรู้ในปฏิจจสมุปาทนั้นละเอียดกว่านี้นี่เป็นอย่างย่อคำว่ายานวัตถุปแปลว่าอะไรผมจะอธิบายสักเล็กน้อยเมื่อได้อ่านข้อความในเบื้องต้นของสูตรนี้จบก่อน พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินติกาเศรษฐีเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงยานวัตถุสี่สิบสี่แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังซึ่งยานวัตถุนั้นจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะ ก, กล่าวพิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มียวะภาได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ยานวัตถุสี่สิบสี่เป็นไฉไนก็ตรัสในเบื้องต้นถึงส่วนของอุเทศอุเทศน่นหมายถึงแสดงโดยหัวข้อหลักให้ทราบทั้งหมดก่อนโดยแสดงถอยลำดับจากองค์สุดท้ายคือชราและมรณะ ย้อนขึ้นไปหาองค์ต้นคือสังขารและอวิชชาตรัสว่าความรู้ในชาลาและมรณะความรู้ในความในเหตุเป็นแดนเกิดแห่งจดาและมรณะความรู้ในความดับแห่งจราและมรณะความรู้ในปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งจราและมรณะแม้ความรู้ในชาติ ก็ร <necessary. S 2> well. no, ู the the the the outgoing, the the the ้เป็นสี่ประการเช่นเดียวกันตรงนี้ท่านว่าต่อไปว่าความรู้ในชาติความรู้ในเหตุเกิดแดนเกิดของชาติความรู้ในความดับความรู้ในปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งชาติตัมลองเดียวกันนะคือเรียกว่ารู้แต่ละองค์โดยอาการแห่งอา די ยสัตสีความรู้ในพบความรู้ในอุปาทานความรู้ในตัณหาแต่ละองค์แต่ละองค์เหล่านี้ก็รู้โดยอาการแห่งอาเดียต่อไปแม้ความรู้ในเวทนา ความรู้ในผัตสความรู้ในสลายาตนะความรู้ในนามรูปความรู้ในวิญญาณและความรู้ในสังขารก็เป็นไปโดยอาการสี่อย่างในรูปของอริยสัตว์สี่เราจะเห็นว่าพระสูตรนั้นได้มาจบแค่ความรู้ในสังขารไม่พูดถึงความรู้ในอวิชชาก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้พูดถึงความรู้ในอวิชชาก็ อ, าอย่างนั้นเราก็หาไม่ได้ เนื่องจากว่าความรู้ในอวิชานั้นได้เข้ามาเป็นส่วนรือมีฐานะเป็นเหตุของสังขารคือรู้ว่าสังขารนั้นเกิดจากอะไรก็คือจะเกิดจากอวิชาแล้วก็การจะดับสังขารเนี่ยก็ต้องดับที่อวิชานั้นก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับอวิชาในฐานะของความเป็นเหตุของสังขารโดยอาการอย่างนี้ก็จะสรุปตอนท้ายว่าดูก่อนที่สุ่ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า ญาณนาวัตถุสี่สี่นี่ก็อ่านแต่เรื่องนี้นะที่จริงเป็นเรื่องยากอย่างร้ายกาศนะฮะที่ว่ายากอย่างร้ายกาศเนี่ยหมายความว่ายากในทางที่จะอธิบายว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรู้ปฏิบัติอย่างไรกับปฏิจจสมุ ป, ปาฏิไม่มีสํานักให้เราได้ศึกษาในปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นการจะอธิบายเรื่องนี้นะก็อธิบายเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่อยู่ในตำราเสียทั้งหมดแม้ว่าบางแห่งที่ผมเคยไปเข้าวิปัสนามาอย่างในสำนักของโมโกกท่านโมโกกไฟยดอที่เอาปฏิจจสมุปบาทนี่มาเป็นตัวตั้งแล้วผมก็ได้เคยไปไปไปฟังไปทดลองปฏิบัติก็ยังเห็นว่า ยังไม่ใช่เอาปฏิจจสมุปบาทแบบถอดด้ามมาเป็นหลักปฏิบัติเป็นแต่เพียงว่าปฏิบัติในเชิงปฏิจจสมุปบาทในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งอาจจะสงเคราะห์เป็นเวทนาก็ได้อาจจะสงเคราะห์เป็นปฏิจจะก็ได้แต่ว่าปฏิจจในทางที่ปฏิบัติอย่างที่เราพบในพระสูตรเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามรูปแบบที่เต็มรูป เป็นรูป ม, มาก็ว่ากําหนดรู้อย่างเช่นว่ากําหนดรู้ความแก่และความตายเนี้ยนะจราและมอรณะในทางวิปัสสนาธรรมอย่างไรอย่างเรานี่ก็รู้ว่าในการกําหนดอย่างนี้ในส่วนของมอรณาสตินะมีอยู่แต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องของปฏิจยัยแล้วก็กําหนดสืบลําดับไปอย่างเนี้ยมันปัญหาที่จะต้องคือถ้าจะพูดเจาะกันตรงนี้ไปเลยเนี่ยเรื่องจะต้องยืดยาวเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมก็ก็ หาโอกาสที่จะพูดแล้วก็ได้พูดเข้าไปดีเล็กๆน้อยนะแต่ว่าตรงนี้น่าจะตั้งปัญหาว่าการปฏิบัติวิปัสนาแบบจเจริญโดยในของปฏิจจสมุปบาทนั้นทําอย่างไรเนี่ยนี่เป็นปัญหาให้คิดนะไม่ใช่เป็นคําพูดในเชิองอธิบายแต่อธิบายอาจจะเป็นอย่างที่ผมสร้างปัญหานี้ก็ได้ว่ากําหนดปฏิจจะแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์งงไปตามลําดับใช่หรือไม่ เช่นว่าเริ่มทำอย่างนี้ก็กาหนดความแก่ความตายว่าความแก่เป็นอย่างไรความแก่คืออะไรความตายเป็นอย่างไรความตายคืออะไรแล้วก็ความแก่เกิดจากอะไรความตายเกิดจากอะไรเกิดจากชาติชาติเป็นอย่างไร ชาติคืออะไรชาติเกิดจากอะไรพิจารณาไปโดยลําดับอย่างนี้ไปเล่ยเล่ยวกไปวนมาข้ามลําดับไม่ได้หรือข้ามลําดับได้หรือกําหนดตามมีตามได้วะนึกถึงองค์ไหนได้ก็กําหนดองค์นั้นจะย้อนหน้าย้อนหลังหรือเหยียบหรือย่าอยู่ก็ที่ซ้ํำซากก็ได้อย่างนั้นหรือไม่นี่คือคําถามที่ผมถามถ้าใครสอบได้ถ้าสอบได้เรยจะไม่ลืมบุญคุณตลอดชีวิตเลย ขอให้สอบเลยหรือจะลองอภิปรายวิาพากษ์วิจารณถ้าใครมีประสบการณ์ดีๆนะลองเสนอความคิดหรือลองอธิบายกันให้เป็นเรื่องเป็นพิเศษก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ที่ผมว่าเนี่ยคือว่าในความหนักใจในทางประสบการณ์ที่อธิบายและปฏิบัติได้และเป็นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นึกนะไม่ใช่นึกเนี่ยคือทาอย่างไร เพราะว่าเราอ่านในพระสูตรเนี่ยชัดอยู่ประการหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเองทรงบรรลุวิปัสนาญาณโดยในของปฏิจจสมุปบาทโดยการกาหนดชาราและมรณะเป็นองค์แรกรู้สึกว่าพระสูตรอันนี้เราอาจจะเคยพูดมาแล้วละมั้งในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะว่าเมื่อเรายังเป็นโพดีสัตว์อยู่ก็ได้ปริวิตกขึ้นว่า เพราะอะไรจรึงมีชราและมรณะเนี่ยเอว่าตั์ทั้งหลายเนี่ยถูกชราและมรณะย่ํายีทําไมจึงจะพ้นจากชราและมรณะได้ชราและมรณะเกิดจากอะไรนะคืออ่านจากในนั้นนะเหมือนท่านคิดเอาเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่อาตถาบอกว่านัานท่านจะเริ่วิปัสสนากรรมฐาน และการได้มาซึ่งวิปัสนากรรมฐานของพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงได้มาด้วยกินตายานไม่ได้มาจากสำนักอาจารย์อย่างเราเนี่ยก็ต้องได้มาจากสำนักอาจารย์แล้วก็ค่อยๆออสืบลาดับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตามกรอบตามรูปแบบอย่างนี้จนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดด้วยวิธีอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นทางหลักว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆ แต่พอเราจะมาทําตามเข้าบางเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทาท่าไหนนะไม่รู้จะทํำยังไงให้มันเกิดมักเกิดผลเกิดเป็นระบบอย่างที่เราเข้าใจกับการปฏิบัติตามสํานักครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือเรื่องเรื่องอยากเพราะนั้นที่พูดให้ฟังได้ก็เป็นแต่ทฤษฎีเท่านั้นผมก็ทําไม่ถูกเหมือนกันไอท้ที่ทาถูกมันก็ไม่ถูกก็เรื่องของบ้านนอกจากว่า สงเคราะห์เข้ามาแบบมันไม่ใช่จริงๆนะไม่ใช่แท้ๆก็เท่านั้นเองเหมือนอย่างสำนักโมโกกปลาดอยที่ว่ามาเอาละอันนี้นะพักไว้กอ่อนเราพูดถึงคำว่ายานวัตถุที่ผมเอ่ยถึงบ่อยแล้วก็บางคนก็สงสัยบ่อยไม่เลิก ว, ว่ายานวัตถุคืออะไรฟังแล้วเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะไม่เข้าใจ เราเคยได้ยินคําว่าวัตถุวัตถุพ่วงท้ายกับคําหลายๆคําเช่นการมาวัตถุรละวัตถุการมกิเลสวัตถุก็เคยได้ยินอาคารวัตถุได้ยินบ่อยหน่อยวิญยาลัมภาวัตถุก็เคยได้ยินบุญยิกิยาวัตถุก็เคยได้ยินญาณวัตถุในทีน่นี้อ่าพุ่งจะได้ยินหรือได้ยินมาจากที่อื่นบ้างไม่คุนะ้นนักแล้วก็ อะนะมค ม, มนิยาวัตถุคือหมายถึงในสีลสามว่าหญิงที่ไม่ควรล่วงเกินยี่สิบประเภทจะได้ยินใช่ไหมอะนะมค ม, มานยาวัตถุเนี่ยก็เรียกวัตถุในพระวินัยมีวินีแต่วัตถุคือคดีที่ขึ้นมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งวินีใส วินิจตาก็คือวินิจใช้วินิจใชแล้วเรื่องที่วินิจฉัยแล้วเพราะนั้นคำว่าวัตถุที่ใช้ในพระไตรปิฎกหรือในคัมภีร์างศาสนาทั้งหลายนั้นมีกรณีมากซึ่งเราอาจจะสรุปได้เป็นสี่ประการดังต่อไปนี้หนึ่งประการที่หนึ่งหมายถึงที่ตั้งอาศัย ที่คำว่าที่ตั้งอาศัยเนี่ยอย่างเช่นพื้นดินที่เราปลูกบ้านท่านก็เรียกว่าวัตถุเรียกว่าวัตถุเรียกอาจารย์ที่ดูวิชาเรามีวิชาดูพื้นที่ปลูกบ้านเหมือนอย่างห่วงจุยย้ยเดี๋ยวนี้นะแต่เป็นของอินเดียเขาเขาเรียกอาจารย์พวกนี้ว่าเป็นวัตถุวิชาจารย์ ดูวัตถุหมายถึงดูพื้นที่ทําไมจะเรียกพื้นที่หรือที่ดินว่าเป็นวัตถุเพราะว่าเป็นที่ตั้งอาศัยของบ้านเรือนหรือต้นหมากลากไม้เลือกสวนไดนานะก็ะจะต้องไปปลูกตามพื้นดินพื้นดินจึงเป็นวัตถุของพืชปั่นตัญญาหารและบ้านเรือนและในทางธรรมะได้หักเอามาเรียกสภาวะของรูปบางชนิด คือจักรสุโสตาคานาจิวหากายะและหาไทยว่าเป็นจักขรวัตตุโสตะวัตถุคานาวัตตุจิวหาวัตถุกายะวัตถุหาทยาวัตถุที่ตั้งของใจที่เรียกประสาท ต, ตาเป็นต้นว่าวัตถุเพราะอะไรเพราะประสาทตานั้นเหมือนเป็นที่ตั้งเหมือนพื้นดินเป็นที่ตั้งของบ้านเดอน คือภาษาตานั้นเป็นที่ตั้งของจิตทางตาคือจักกูอิน ญ, ญาต์ภาษาตาเปนเรจักกูวัตถุเพราะนั่นอันนี้ท่านเรียกว่าใช้ในเชิงความหมายว่าที่ตั้งจากทางโลกหักเข้ามาในทางธรรมในปัจจัยยี่สิบสี่จึงมีคำว่าวัฏฐานิสยะหรือวัตถุปนิสยะหมายถึงเป็นที่อาศัยโดยเป็นที่ตั้ง ตาเป็นวัดวัดถ้าพูดให้เต็มในภาษาที่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุปุเรชาตานิสยปัจจัยแก่จักษุวิญญาณกายเป็นวัตถุปุเรชาติปัจจัยแก่กายวิญญาณในในคัมภีร์มาตรฐานนะท่านก็เรียกอย่างนี้ในใช้ในความหมายที่หนึ่งซึ่ง ไม่ได้หมายเอาในคำว่ายานวัตถุไม่ได้หมายเอาในที่นี้วัตถุที่รู้แจ้งอาประทานโทษอะยานที่รู้แจ้งตาตั้งอยู่ที่ตาหรือเปล่าครับจากสุวิญญาณมีปัญญาประกอบได้ไหมนิวกมาใบวิญญาณหน่อยจากสุวิญญาณไม่มีปัญญาประกอบเพราะฉะนั้นยานที่รู้แจ้งตา ไม่ได้อาศัยตาเกิดยานที่รู้แจ้งอวิชชารู้แจ้งตัญหายานไม่ได้มาอาศัยแบบบ้านปลูกบนพื้นที่ดินไม่ไม่ได้อาศัยไม่ได้เรียกในความหมายว่าที่อาศัยอย่างนี้ความหมายอย่างที่สองหมายถึงที่รับรู้คืออารมณ์ฮะหมายถึงอารมณ์อารมณ์เนี่ย ที่เรารับรู้เนี่ยครับเป็นวัตถุของจิตที่เข้าไปรู้นั้นถ้ายกตัวอย่างเป็นข้อธรรมออกมาให้เห็นทั้งทั้งบุญทั้งบาปทั้งรูกทั้งนาทั้งนั้นเลยเป็นวัตถุต้งนั้นเลยอในคําว่าบุญญากิริยาวัตถุหมายความว่างไงบุญที่เกิดขึ้นกับการให้ทานกุศลลจิตนั้นไปอาศั ตั้งอยู่บนทานหรือไม่ใช่ตั้งหมายถึงตั้งอย่างบ้านอาศัยเรือนเนี่ยน ะ, ะบ้านอาศัยดินนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าเป็นที่เป็นวัตถุโดยเป็นอารมณ์เป็นเครื่องหนวนเครื่องหนวงคือว่าเมื่อบุคคลจะทำทานก็นึกถึงวัตถุทานที่จะให้นึกในทางที่จะให้วัตถุทานนั้นก็เป็นวัตถุโดยความเป็นอารมณ์ กระตุ้นให้เกิดเจตนาให้บุคคลที่รักษาศีลก็นึกถึงศีนที่ตัวจะรักษาตั้งเจตนางดเวน้นศีลอันนั้นก็เป็นวัตถุคือเป็นที่ระลึกเป็นอารมณ์ให้บุคคลปลาลบว่าฉันจะเว้นไม่ฆ่าสัตว์โดยความเป็นศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยบุญกิจยาทุกอย่างมีเรียกว่าบุญกิยาวัตถุเพราะ บุญแต่ละอย่างชวยเอาอารมณ์มาเป็นที่อาศัยเกิดบุญต่างกันอารมณ์เหล่านั้นเป็นวัตถุ ข, ของบุญญาเจตนาเรานะในคำว่าอาคาตวัตถุก็เช่นเดียวกันเนี่ยยกตัวอย่างทางบาปบ้างอาคาตวัตถุหมายถึงอารมณ์ใดที่บุคคลระลึกนึกถึงแล้วเกิดความโกรธอารมณ์นั้นเรียกว่าอาคาตวัตถุ รละลึกถึงแล้วเกิดความโกรธรับรู้แล้วเกิดความโกรธก็หมายความว่าอารมณ์นั้นเป็นเครื่องยัวหรือเป็นอารมณ์ของความโกรธนั้นนั่นเองจึงเรียกว่าอาคาตวัตถุบางทีก็ไม่ได้สัมพันธ์กันในแง่อื่นเช่นเราโกรธคนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเราอยู่ที่อื่นหรือลราหายตายจากไปแล้วก็อาจจะเป็นได้ต่อการหน่วงนึกอย่างเป็นอารมณ์นั้นมีขอบเขตที่กว้าง广 ในวัตถุกรรมกิเลสกรรมกิเลสกรรมอันหนึ่งวัตถุกา ร, รมเป็นอารมณ์ที่กิเลสกรรมเข้าไปอาศัยยินดี mm hmm. ก็เลยในแง่นี้ก็หมายความว่าอารมณ์ใดทําให้เกิดบาปเป็นวัตถุของบาปอารมณ์ใดทําให้เกิดบุญเป็นวัตถุของบุญวัตถุในความหมายที่สองจึงใช้ในความหมายคือที่รับรู้คืออารมณ์นั่นเองครับ ความหมายที่สามวัตถุท่านใช้หมายเอาชนิดหรือประเภทฮนะชนิดหรือประเภทเนี่ยเรียกวัตถุอย่างเช่นอนะมคับอนคะมณยาวัตถุเรื่องประเภทหญิงยี่ยี่ยีนะาาบยี่ยี่ยี่ยี่ยีุยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ย่ี่ยี่่ย่ย่ ก็ถือว่าเข้าขายของความผิดศีลเช่นว่าหญิงที่มีเสือสอ า, ามีแล้วหรือแม้แต่หญิงที่มีคู่มั่นหมายแล้วยังไม่ได้แต่งงานต่งการไปล่วงละเมิดข้ากับหญิงประเภทนั้นๆก็เป็นอันผิดกาเมสุมิจฉาจาร์ซึ่งน้ำหนักไม่เท่ากันหรอกแต่ในขายของความเป็นผิดศีลถือว่าผิดเหมือนกันแต่น้าหนักบาปไม่เท่ากันก็ใช้ในฐานะที่เป็น ชนิดหมายถึงชนิดนั้นวัตถุนั้นวัตถุนี้ น, น, นยก็พูดตำหนองนี้อย่างที่สี่แปลว่าเรื่องราวหมายถึงเรื่องราวคดีอาตีกรที่เกิดขึ้นเรียกว่าวัตถุเช่นในวินัยใช้คำว่าวินีแต่วัตถุคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันธบูมีพระภาคทรงวินิจฉัยแล้วว่าตับพิสุรูปใดรูปใดได้กระทา หรือมีคนเขากล่าวหาว่าอย่างไรอย่างไรผิดหรือถูกหรือไม่แล้วผู้มีภาะก็จะส่งวิธีใช้เป็นตัวอย่างเป็นราย้อยเรื่องอยู่ในตวินัยพิดกอันนี้หมายถึงเรื่องราวทีนี้ก็มาดูว่าในคำว่ายานวัตถุเนี่ยหมายถึงอะไรในสี่อย่างที่ว่ามาที่แปลตามศัพท์ว่าที่ตั้งเนี่ยนะ ยาณวัตถุในที่นี้หมายเอาความหมายสองประการประการหนึ่งคือที่รู้สิ่งใดที่ปัญญาเข้าไปรู้สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นยานวัตถุเช่นอวิชชาเป็นอันนี้นามรูปเป็นยานวัตถุเพราะเป็นสิ่งที่ปัญญาเข้าไปรู้ ตอนนี้คำว่าวัตถุนี่ก็ถ้าเทียบกับในสติปัฏฐานอย่างที่ทรงตรัสว่าสติปัฏฐานและเราก็พอรู้กันว่าสติปัฏฐานปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของสติเรียกสติปัฏฐานฉันใดก็ฉันนั้นญาณวัตถุวัตถุก็มีความหมายเท่าๆกับปัฏฐานแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้ง น, นี้คําว่าตั้งเนี่ยมันแปลว่าตั้งตั้งในความหมายว่ารับรู้ถูกไม่ถูก มันไม่ได้แปลว่าตั้งอย่างเชมม่นว่าเราเกิดปัญญาเนี่ยยกตัวอย่างอย่างชัดที่สุดนะเราเกิดปัญญาอยู่ในในเมื่อเราอยู่ในหัวใจปัญญาเจตสิกเกิดอยู่ในหัวใจตั้งอยู่ในหัวใจแต่ปัญญานี้ไปกำหนดรู้เสียงที่มาจากภายนอกที่กระทบหูหรือรูปจากภายนอกที่มากระทบตาถามว่าปัญญานั้น มีอะไรเป็นญาณวัตถุอะไรเป็นญาณวัตถุของปัญญานั้นหัวใจหรือเสียงตอบว่าเสียงเพราะอะไรเพราะยาณวัตถุนั้นไม่ได้หมายเอาการอาศัยอยู่แต่หมายถึงอาศัยรู้ปัญญารู้อะไรสิ่งนั้นแหละชื่อว่าเป็นญาณวัตถุของปัญญานั้นนี่คือความหมายที่หนึ่ง ในคำว่ายาณวัตถุและคำว่ารู้เนี่ยหมายเอาความรู้ทั้งสองประการเลยครับอันนี้ก็ทบทวนสิ่งที่ได้เคยพูดถึงแล้วแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยการรู้ของบัญญาเนี่ยรู้สองแบบคือรู้ในในวัตถุอันเป็นยาณวัตถุนะ่ะสองแบบแบบหนึ่งคือรู้แบบทําให้เป็นอารมณ์ อารมณปฏิเวทสองรู้แบบอสัมโมหาปฏิเวทคือรู้ในความหมายว่าไม่หลงแล้วหลุดแล้วหลุดจากความหลงแล้วแม้ว่าจะไม่ได้นึกลำดับความรู้นึกถึงตัวสิ่งที่ตัวรู้อยู่ก็ตามก็ชื่อว่าเป็นผู้ได้สิ่งที่ตัวไม่หลงเนี่ยเป็นญาณ น, นวัตถุ เป็นกรรมสิทธิ์ของปัญญาพ้นจากความหลงในสิ่งนั้นสิ่งใดที่บุคคลนั้นยังหลงอยู่สิ่งนั้นไม่เป็นญาณวัตถุของตัวสิ่งใดตัวเองไม่หลงแล้วแม้จะไม่ได้กาหนดรู้อยู่สิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นญาณวัตถุของตัวทีนี้ไอ้ความความไม่หลงเนี่ยกับการระลึกน้อมเข้ามารู้อย่างเป็นอารมณ์สองอย่างเนี่ยก็ มีข้อเท็จจริงในทางหลักอันหนึ่งแล้วบางทีมันก็อาจจะสอดคล้องกับประสบการณ์อย่างเราๆนี่นะฮะคือในกรณีของพระอริยะที่บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเอยงปฏิจจ์เนี่ยถือว่ารู้ทุกแง่ทุกในรู้ทุกแง่ทุกในเลยแต่เชื่อหรือไม่ว่า ในแง่ที่ท่านรู้ทั้งหมดเนี่ยบางทีท่านก็เหมือนกับอย่างที่จะพูดภาษาเราก็เหมือนไม่ได้รู้ว่ารู้ไม่ได้ดูความรู้ของตัวเองคุณไ ง, ไงเหมือนคนมีเงินแล้วได้เงินมาไม่เคยนั่งนับเงินตัวเองไม่เคยไปเปิดไปเปเิดดูเงินของตัวเองนะทั้งที่เงินเหล่านั้นทั้งสิ้นนั้นเป็นของตัวเองเป็นวัตถุของตัวแต่ตัวไม่ไม่ มีโอกาสไปถี่ท้วนตรวจตราหมดทุกขิ้นทุกประการคนบรรลุมรคผลเนี่ยปฏิจจะทุกอย่างในรู้ทุกแง่ทุกมุมหมดแต่บางทีก็ไม่ได้ไปทบทวนความรู้ในแง่มุมต่างๆเหล่านั้นจนหมดแต่ท่านก็ยกประโยชน์ให้ว่าเมื่อไม่หลงแล้วก็ถือว่ารู้ก็แล้วกันเพียงแต่ว่าจะมานั่งทบทวนพิจารณารายละเอียดหรือไม่นะั่งเป็นอีเรื่องหนึ่ง ไม่หลงแล้วเปนัันใช้ได้ก็ถึงว่าความรู้ชั้นสูงเนี่ยเป็นความรู้ที่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องรู้ทั้งหมดไม่ต้องนึกทั้งหมดก็ชื่อว่ารู้ทั้งหมดนี่เรียกว่ายาณวัตถุเพราะฉะนั้นญาณวัตถุจึงมีอยู่สอ ง, ส, องสายเนี่ยสองแบบวัตถุนั้นได้รู้ด้วยไม่หลงด้วยวัตถุบางอย่างในไม่ได้กําหนดรู้แต่ว่าไม่หลง อันนี้เทียบเหมือนกันกนปบกรประสบการณ์นะประสบการณ์ทั้งคนมีประสบการณ์แล้วก็บางทีก็ไม่รู้หลักการก็ไม่ได้นึกอย่างในเชิงหลักการแต่ประสบการณ์ของคนคนนั้นอธิบายได้ถ้าใครมาสะกิดหรือทําให้ได้นึกเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายใ น, นประสบการณ์นั้นได้นั่นปรารยะแม่ไม่เรียนปริยัแล้วก็อาจจะไม่เคยนึกในเชิงปริยัตโดยแต่ความหลงสิ่งเหล่านั้นไม่มี ถ้ามีใครมาสะ ก, กิดหรือพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงธรรมให้ได้รู้แล้วก็เป็นนั้นว่ารู้เลยฮรเพราะฉะนั้นพระอริยะเนี่ยท่านถือว่าทุกองค์เนี่ยได้ปฏิสัมพิธาหมดในสัมพิธามีสองระดับปฏิสัมพิธาในทางศักยภาพตา้งความรู้อันหนึ่งแตกหมดนะถือว่าแตกฉานหมดไม่ว่าจะตั้งหมวดตั้งกองมาอย่างไงสามารถจะมองแล้วสังเคราะห์สงเคราะห์ได้หมดว่าต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไร ท่านถึงยกให้ว่าเป็นผู้มีปฏิสัมพัธาแตกแขนในสภาวะกับอีกระดับหนึ่งเนี่ยเป็นปฏิสัมพินธ์ธธในทางการแสดงออกคือพระอริยะเมื่อจะแสดงออกจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ธอีกระดับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของผู้เทศการโต้ตอบในทางหลักความรู้นั่นเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งอริยะทุกคนอาจไม่มีในระดับนั้นไปเสมอทั้งสิน้น แต่ระดับตน้นมีมันทันหมดทีนี้ออยาในวัตถุที่ว่านี่ความหมายอีกชนิดหนึ่งท่านจึงหมายถึงชนิดเลยปัญญาเจตสิกมีตัวเดียวเพราะเกิดกับวัตถุต่างกันจึงกลายเป็นชนิดที่ต่างกันไปตามวัตถุเหมือนว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยจริงก็สติตัวเดียว และเป็นสีที่ตรงไหนตอบว่าเป็นสีที่อารมณ์เป็นสีที่ที่ตั้งมัน่นสติใดกำหนดเวทนาอยู่สตินั้นเป็นเวทนานุ ป, าาสปาาัสนาสติปฐานสติใดกำหนดกายอยู่สตินั้นเป็นกายานุ ป, าาสปาาัสนาสติปฐานสติใดกำหนดทำอยู่ กำหนดจิตอยู่ก็เป็นสติปัฏฐานอันั้นนั้นไปทั้งที่ก็คือสติตัวเดียวแต่นั้นเมื่อพูดอย่างในเชิงสภาวะเนี่ยเวลาคนเจริญสติปัฏฐานก็เลยเป็นสี่เป็นทั้งสี่เดี๋ยวขณะนี้เป็นกําหนดอันนูก็กเป็นนี่กําหนดอันนี้เป็นนู่นโดยสภาวะนะแต่ว่าโดยรูปแบบน่ะก็นับเป็นอันเดียวคือนับเอาตัวหลักที่ยกขึ้นเป็นประธานก็เป็นสติปัฏฐานนั้นอันเดียว อันอื่นแม้รู้ก็ไม่ยกเป็นตัวหลักจึงไม่นับเป็นสติปัฏฐานในเชิงรูปแบบของผู้ปฏิบัติก็เป็นนั้นว่ายานวัตถุท่านกำลังแสดงประเภทของปัญญาไปตามอารมณ์ที่ยานนั้นรู้เรียกว่ายานวัตถุยานมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่จานวนอารมณ์ที่เข้าไปรู้ การรู้ปฏิจจสมุปาทซึ่งโดยองเนี่ยมีเพียงสิบสองแต่เพราะว่าแต่ละองค์นั้นมีแง่มุมในการกาหนดรู้เป็นองละสี่ละสีจึงกลายเป็นสี่สิบสี่ซึ่งถ้าจะถามว่าที่รู้เป็นองละสีละสีเนี่ย ถามว่าขนาจิตเดียวรู้ทั้งสิบสององและทั้งสี่อาการสิบสองคูณจริงๆในนี้เอาสิบเอ็ดนะแต่จริงๆถ้าเราพูดเอาองค์ด้วยก็องสิบสองแล้วก็อาการสี่ทีเดียวรู้ทั้งหมดหรือว่ารู้ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างถูกทั้งสองอย่างถูกทั้งสองอย่างนะ ตัวทูทั้งสองอย่างเนี่ยคือในขั้นของวิปัสนาบุาพพคมักบุคคลเมื่อกำลังกำหนดนามรูปอย่างรูปแบบของปฏิจจะอยู่จะกำหนดรู้ทีละทีละอย่างทีละส่วนรู้อ่ะส่วนนี้มุมนี้มาลูมุมนั้นลูมุมนี้แล้วก็จะมีว่าในแต่ละขั้นจะมีไอไ อ, ไอมุมหลักออกหน้าอย่าง าการกำหนดลู่องค์เนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักออกหน้าในเบื้องตน้นต้องมาก่อนผมว่าทุกะนะฮะชรามรณะนั้นมีฐานะเท่ากับทุกสิ่งหนึ่งของทุกส่วนหนึ่งของทุกที่กล่าวว่าชราและมรณะชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกฐานะหนึ่งของทุกที่กล่าวว่าชาติและเมื่อพิจารณากลับไปถึงเหตุ ว่าชาติเกิดจากอะไรชรามรณะเกิดจากอะไรนั่นเป็นก็ส่วนของการกำหนดเข้าไปหาสมุทัยชาติจะดับได้อย่างไรนั่นเป็นส่วนของมรรคแล้วอา่าเป็นส่วนของนิโรธแล้วก็เป็นส่วนของมรรคตรงนี้นะพูดแล้วจะไปซ้ากับอย่างที่เคยพูดเรื่องหลักลางของวิปัสสนาที่ได้เคยพูดใน ส่วนของธรรมะข้ออื่นหลักเดียวกันหมดครับผมจะยกตัวยอย่างที่ให้เห็นแบบธรรมอย่างอื่นมาเทียบเรากําหนดตมมติเรากหนดทองทองทองยุคในแบบหนึ่งกําหนดพอหลับตากําหนดทองทองทองยุคเนี่ยทองทองทองยุคมีฐานะเป็นอะไรในอรียสตว์สี่เป็นอไรฮะ เป็นนิพพานนี้เป็นทุกเป็นทุกมีฐานน่เป็นทุกอาแล้วพอหลับตาแล้วเห็นทุกเลยใช่เหรอบอกว่านั่นแหะคือทุกที่เราจะต้องศึกษากําหนดรู้ให้ให้ถึงกันของความเป็นทุกข์กัตซึ่งจะไปถึงแก่ของความเป็นทุกขักัตเนี่ยมันจะต้องอธิบายกันไปเยอะนะแต่เอาตรงนี้ก่อนว่านั่นคือเรากําลังกําหนดรู้ทุกให้เห็นว่าทุกโดยความเป็นทุกอะ ถ้าเรากาหนดท้องฟองยุบแล้วเห็นเป็นของดีของวิเศษเป็นดวงแก้วมาที่สะดือสมมติอย่างนี้นะที่ท้องกลมๆฟองทองยุบยุบเห็นเป็นของหน้าทพิสมัยหน้าตองการผิดก็ถูกอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าวิปลาสเกิดเพราะกำหนดเห็นทุกโดยความเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่น่าปราถนาโดยความเป็นสิ่งที่น่าปราถนานะในทุกเนี่ยก็จะมาก่อนกาหนด ชะลาโมระก็เหมือนกันทีนี้เมื่อเรากําหนดท้องทองท้องยุคเนี่ยต่อไปมันก็จะไปถึงเหตุแต่เพียงว่าเหตุของท้องพองท้ อ, องยุคที่เรากําหนดเนี่ยไม่ได้อยู่ในแบบแผนอย่างปฏิจจสมุปบาทพูดว่าชารามรณะเกิดจากอะไรหรืออย่างบับอื่นพูดแล้วบางทีมีแบบแผนกํากับนะแบบแผนกํากับลักษณะเป็นเทธนาตรงออกมา แต่ว่าเหตุเกิดของท้องฟองท้งยุคมันมีเหตุใกล้เหตุการุมยุกก็มีเหตุใกล้ที่ให้เห็นก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านไม่รู้ท่านรู้อยู่แล้วแต่จะยกเพื่อเตือนเทียบกับเรื่องที่กําลังจะพูดนี้อ ะ, อะไรเป็นเหตุพองเหตุยุคที่เห็นได้ที่กําหนดได้ทุกคนโดยไม่ยากไม่ลาบาก อะไรพองยุบเพราะอะไรอะไรสั่งให้พองอะไรสั่งให้ยุบอะไรสั่งครับแล้วมันยุบมันพองมันเองเราไม่ได้สั่งเ่อตอบว่าพองยุบนั้นเป็นจิตต ะ, ะรูปเมื่อเราเห็นพองยุบแล้วแน่นอนหลักการเราก็เรียนรู้มันพองยุบอะไรไงนนะเราต้องบอกกันก่อน ต้องรู้ก่อนรู้ยิ่งรู้โก้เท่าไหร่ก็กกยิ่งดีแต่เวลาเราไปเห็นเนี่ยต้องฟองทิวและเห็นไอ้ข้อแม้ความหลากหลายของเจตนาที่สั่งให้ฟองให้ยุบว่าจิตสั่งให้ฟองให้ยุบมีหลายอย่างจิตเป็นอย่างนี้แล้วพองยุบเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างอื่นแล้วพองยุบเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไอ้ที่ว่าสั่งให้ฟองยุบเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ชวนให้เห็นว่าเป็นอัตตาแต่คนทํำวิปัตนาแล้วก็รู้ว่าไอ้พูดพูดไปงั้นแหะ ตามจริงมันเดยเป็นอัตราเนื่องจากว่ามันไม่ได้สั่งโดยประาการจูกไม่ถูกทำไมจิตจึงทำให้ท้องผ่องได้และยุบได้มันชี้นิ้วสั่งแบบระหูระตาเลยไม่หรอครับเมื่อมีจิตที่สั่งมันก็คุมกระแสเหตุปัจจัยเข้ามาที่จะทำให้ท้องผ่องท้องยุบอะไรเป็นปัจจัยที่เห็นได้ ที่จิตใช้เป็นเครื่องมือให้ฟองอายุ่ลมใช่ไหมฮะลมทําให้ฟองอายุแล้วคือความจริงก็ไม่ใช่ลมยังมีกลไกอย่างอื่นๆที่อยู่ในนั้นอีกซึ่งเป็นคน่อนข้างจะเป็นตะพาวามาบ่าวแต่ว่าพูดแล้วเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่านี่นะฮะพูดอย่างจริงๆแล้วก็พูดอย่างตำลาด้วยไม่ใช่คิดเอาแล้วพูด นี่คือการเห็นทุกแกลเห็นสมูทัยในชั้นเบื้องต้นในชั้นตื้นๆของผู้ปฏิบัติเห็นต้องเห็นต้องได้ข้อสังเกตจริงเหล่านี้จับลึกเข้าไปตามลําดับตามลําดับโดยที่มันเป็นไปเองซึ่งเกิดจากการอบรมภาวนาให้เจริญขึ้นไปเจอหนิเจอหนินแอ่ทีนี้พอไปถึงตรงนี้แล้วเออแล้วมันไปเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นสมูทัยตรไยงไหน ตรงนี้เนะ่ะผมก็บอกว่านี่ยคือจะอธิบายว่าทุกที่เราเห็นทีแรกเป็นท้องเนี่ยยังยังเห็นหยาบนะเห็นจิตสต่างยิ่งถื้อหอยาบเมื่อกําหนดลึกเข้าไปนั้นใจเห็นทุกลึกลงไปด้วยคือลึกนี่จะต้องลึกลงไปตามส่วนของมันจับทุกหยาบเห็นสมูทัยหยาบแล้วพอจับทุกละเอียดเห็นสมูทัยละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก เอาเป็นว่าถึงขั้นสุดสูงสุดท้องมีฐานะเป็นทุกขสัตว์ตรงไหนแล้วก็อะไรเป็นสมุทยัยขั้นลึกที่มองเห็นได้ยากของท้องตอบว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาในท้อง และความเป็นท้องคือสังกหิตเตหนะปัญจุ ป, ปาทานกขันถานี่คือขันธ์นี่คือฝีนี่คือโรคที่มันมีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันน้าืะกลัวนะนี่เนื้อแท้ในทางลึกที่ไม่น่ายินดีและสมมุไทไยในทางลึกก็คือตัณหาความอยากที่บุคคลเมื่อได้อบรมสั่งสมไว้ ก็ทําให้เราเนี่ยต้องมามีนามมีรูปและท้องนั้นเป็นส่วนหนึ่งจุดหนึ่งของนามรูปที่เมื่อเป็นนามรูปก็ เ, เกิดจากตัณหาเหมือนกับอวัยวะส่วนต่างๆในตัวเราที่เกิดจากตัณหาทีนี้ถ้าชวนลึกไปว่าเออแล้วไอ้เราตัณหาว่าอย่างไงเกี่ยวกับทองเราอยากมีทองอยากมีสะดือหรือถึงมามีอนุมัตนตัณหาอยากก็เลยนะ เราอยากเรือเออเราว่าเราไม่อยากไม่ได้เห็นความสาคัญไม่ได้ความขนัดนั้นนี่และวปัญหามันจะมาสร้างท้องได้ไตรงนี้นะเราควบแบบเ ผ, ลผลินๆเราก็ไปว่าท้องว่าสะดอนะแต่จริงๆเนี่ยในเนื้อสภาพของความเป็นท้องมีกายปศาสตรอยู่ในนั้นหรือไ ม, ม่มีนะแล้วก็มี อ, อิทธิภาวะลูกปุริษาภาวะลูปอยู่ในนั้นหรือไม่มี มีชีวิตแต่ลูกคือความมีความเป็นไอเดียวเราต้องหายใจต้องอะไรมันก็เกี่ยวความมีความเป็นตกลงว่าท้องเราเรามีไว้คืออะไรอะไรที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นมันสําเร็จขึ้นมาจากความอยากที่มันสันมันสร้างขึ้นมาเป็นส่วนเป็นโครงสร้างที่สะสมมานานแล้วก็เกิดผลผลอย่างนั้นออกมานี่แหละในความเป็นท้องที่พูดอย่างสมมุติ เกิดขึ้นมาจากปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นจะขันตั้งแต่หัวจดเท้าทั้งหมดเกิดขึ้นจากปัญหาทั้งสิ้นและที่เราพูดแล้วเรานึกไม่ออกไม่พอใจนะก็สมควรจะนึกไม่ออกไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเรายังเป็นผู้ไม่รู้ทุกข์และไม่รู้ตัญหาใช่ไหมและถ้าใครเป็นผู้ปฏิบัติเห็นแล้วก็เข้าใจโอ้ไอ้ความรู้มันเป็นอย่างนี้ และความไม่รู้มันเป็นอย่างที่เมื่อเราผู้ไม่ปฏิบัติเห็นเป็นไอตอนไม่รู้มันก็นึกล้วก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นอะไรเป็นเรื่องที่จะน่าเป็นเรื่องใหญ่โตในทางธรรมะในทางเหตุผลต้องธรรมะแต่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไปเห็นเหตุผลใหญ่โตที่อยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วมีก็เท่าว่ารู้ทุกแล้วก็รู้สมุทยัย แล้วก็โดยตัดฉับพลันทันทีอย่างหลักที่เคยว่าตซ้าบ่อยๆแต่เน้นบ่อยๆก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ว่าเมื่อเห็นเป็นทุกข์เห็นตัญหาในขณะที่เห็นเป็นทุกข์แล้วก็เห็นความเป็นสมุทัยของตัญหาเนี่ยยานเป็นตัวเข้าไปเห็นยานนั่งเป็นมั้งจำนะ และยาณเมื่อไปเห็นทุกข์เห็นตันหายอย่างนี้ย่อมโน้มไปสู่นิโรธโน้มไปสู่นิโรธตามลําดับนั่นคือนิพานนั่นคือความดับความรู้สึกในขั้นของบุาพาวาคมันเป็นความรู้สึกโน้มเป็นความรู้สึกเข้าใจอีกด้านหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกข์กับสมุ ท, ทยัย ไปโดยอัตโนมัติและอัตราส่วนที่ต้องคู่ร่วเท่าๆกันนะอันนี้จำไว้อย่างนะคะอย่าไปนึกว่าทุกนี้เราเห็นย่นแจ้งชัดแล้วถึงมาเล่นกับตัญหาที่หลังไม่ใช่หมันเป็นเรื่องที่ค่อยเต็นค่อยไปในอัตราส่วนเท่าๆกันทำเมื่อใดเมื่อไหร่ได้แค่ไหนอธิบายเป็นรูปของสัจจะได้ทันทีในสัดส่วนที่ได้เท่านั้น ของบุคคลนั้นทีนี้บ้าเมื่อบุคคลมาเจริญแบบปฏิจกสมุปบาทเนี่ยการปฏิบัติวิปัสนาธรรมฐานในทางหลักในชั้นกัมเนียนนะฮะเขาจะมีรูปแบบที่รูปแบบมันก็ไม่ได้มาจากไห น, นผู้เจ้าให้รูปแบบไว้รูปแบบยากบ้างละเอียดบ้างคอาใจยากบาง ง, บาง่ายบางคนทำตามได้น้อยบ้าง ทำตามได้มากบางมีอยู่ในนั้นทั้งนั้นปฏิจจานั้นเป็นอันหนึ่งโดยให้กำหนดทุกในส่วนที่บุคคลเห็นได้ชัดเป็นเบื้องตน้นคือปฏิจจาใ น, นเวลาแสดงอารม อ, อ์วิชาไล่ลงมาถึงชดามรณะแต่ชาดามรณะนั้นถือว่าเป็นทุกมีสภาพของความเป็นทุกอย่างเห็นชัดเจนที่สุด ว่าแก่แล้วว่าตายทีนี้ปัญหาว่าเวลาคนปฏิบัติเนี่ยเขาทํำยังไงนี่ผมพูดตามตารานะผมไม่รับรองในทางว่าอา่จริ ง, รงๆเขาทาเป็นยังไงแน่ผมยังไม่เจออาจารย์ติดด้วยก่อนคือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติอย่างอธิบายด้วยประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกที่ทางออกบทนั่นเทวทูตสี่เนี่ย เป็นอารียสัตว์ในทาง บ, บุคลาดิฐานทางกายภาพจึงเป็นเรื่องต้นของอรียสัตว์ใช่ไม่ใช่พอ น, นิกออกมาคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นอะไรอเรียสัตทุกข์อารียสัตว์สมณะเป็นอะไรอาเียสัตว์ เป็นมัคคะอาิียสัตว์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวทกตัวเทวทูตขึ้นอยมีเทวทูตบรรลุอาิยสัตว์นะมีเทวทูตไม่ใช่เทวทูตพาไปบาลโลกนี่พาไปนี่พาอ่าใครจาได้ช่วยบอกนะครับ <S <S เห็นอะไรบา้างเกิดเอ้เกิดนี่เห็นแก่เจ็บตาย แล้วก็สมักใช่ไหมสมักทั้งหมดนี้เป็นอริยสัจโดยสามอย่างแรกเนี่ยเป็นทุกขาอริยสัจนะแล้วก็อย่างที่สองเป็นมักคะอริยสัจซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงลํำลึกถึงเหตุเนี่อลํำลึกถึง เหีุก็หมายถึงว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเพราะอะไรแล้วก็เราเรู้ว่าทาอย่างไรถึงจะป้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เห็นละวัานี้คือเป็นห น, นทางในทางกายภาพนะที่มองเห็นว่าจะต้องไปบวชไปแสวงหามโมฆะธรรมแล้วก็จะไปสู่หนทางได้หนทางที่จะดับความทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นเป็นแรงกระตุ้นที่เป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตาม เพราะฉะนั้นไอ้เกิดแก่เจ็บตายทางเนื้อทางหนังที่เราพูดๆกันเนี่ยบางทีเราเรียนธรรมะไปถึงสูงแล้วก็อาจจะนึกว่าแม้เป็นของอยากปัดไม่ละเอียดเลยประนิดแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้นที่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงออกบวชเรียกว่าเดินเดินตามมรรคใ น, นการกายภาพและในคืนตรัสรู้ในวันตรัสรู้เนี่ยพระรามที่ท่านเล่าไว้เอง ความรู้สึกของท่านในใจเนี่ยไม่เคยเลิกลุทิ้งทุกเวลานี้ท่านมาบวชมาพยายามแสวงหามากแล้วเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญความเพียรปีติสุ ก, สกมาจนถึงวันตรัสโลนั้นได้ทรงมาตั้งความคิดใหม่ตอนตั้งความคิดเนี่ยทรงนึกถึงความเอ่เอเกิดแก่เกดตายอย่างธรรมดาอย่างที่ท่านนิยามไว้ ในหน้าที่สองดูหน้าสองมนะาตะรูประกอบเพื่อเป็นหลักฐานในทางหลักอันนี้นะถือเป็นเบื้องต้นของการกําหนดปฏิจจสมุปบาทในในชนิดที่เรียกว่าคนปฏิบัติได้คนเห็นได้อยไปเอาชรลามรณะในทางขณะมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่เบื้องต้นที่คนจะเห็นได้ปฏิบัติได้ในเบื้องต้น ท่านก็นิยามว่าชลามรณะเป็นอย่างไงชลาคือความแก่วันหลุดผมหมกหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่งหอมแห่งอินทรีย์ของหมูสัตว์นั่นนเหล่าสัตว์นั่นนี้เรียกว่าชลาแล้วก็อมรณะเป็นอย่างไรคือความเคลื่อนแปาว่าความเคลื่อนความทลายอันตรธานมรดกะอยู่ความตายกาลคริยาความแตกขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งอินทรีย์จากหมูสัตว์นั้นนันของสัตว์นั้นๆ เหล่านี้เรียกว่ามรณะชลาและมรณะดังไป น, นานมรณะนี้อันนี้ท่านพูดอย่างนี้นะหมายความว่าชลามรณะที่ใช้เป็นเบื้องต้นที่กาหนดเห็นแล้วก็ปลาลบนึกถึงเป็นอย่างเบื้องต้นถ้าถามว่าเป็นจินตายานหรือเป็นเป็นยีทธาสตร์ตอบว่าเป็นเบื้องต้นสุดเป็นจินต์าคือคิดพิดดจะะารณานะ พิจารณาถึงไอ้ความเกิดแก่เฉียบตายอย่างนี้ให้ได้ความรู้สึกให้ได้ทัศนคติที่มีต่อนามต่อรูปว่าเป็นสิ่งน่าจะสะพรึงกลัวและเมื่อการกำหนดลึกลงไปท่านก็ได้แสดงถึงชลาและมรณะอีกระดับหนึ่งที่ปรากฏเรียกว่าขณิกาชาลา กับคณิกามรณะซึ่งอันนี้จะเห็นทีเดียวแต่แรกไม่ได้แล้วก็ถือเป็นเนื้อในของความแก่ความตายข้างนอกถ้าหากว่าคนไม่แก่ไม่ตายในทางเนื้อไหนแล้วการแก่การตายชั้นนอกมีไม่ได้นะฮะนี่ก็เลยโดยหลักแต่ว่าคนจะไปเห็นได้ต้องเห็นจากข้างนอกภายนอกเนี่ยแล้วก็กำหนดเข้าไปสู่ด้านใน ก็ไปเห็นความเกิดแก่เจตายลักษณะที่เป็นดับและอ่าอันนี้ผมจะอธิบายเป็นลักษณะวงกว้างเป็นส่วนมากบางบางตัวอธิบายทีนี้พูดถึงาปฏิจจ์ที่เห็นเนี่ยต่อว่าเวลาเห็นเนี่ยเห็นองค์แรกแล้วก็แทงลึกลงไปเฉพาะองค์แล้วค่อยข้าข้ามไปอีกองค์หนึ่งหรือว่าเวลากําหนดเนี่ยกําหนดแต่และองค์เนี่ยกําหนดแล้วแล้วแล้วแล้ ว, ล ว, ลวค่อยๆกินลึกเข้าไป ตามลำดับตามมาแล้วตอบว่าอย่างนี้ครับเวลาท่านอย่างลึกเนี่ยการอย่างลึกในการกำหนดปฏิจจ์กำหนดแล้วแล้วเล่าแล้วแล้วก็เจาะจับลึกลงไปในแต่ละเที่ยวแต่ละหนเหมือนเรากำหนดทองฟองทายุบแล้วแล้วเล่าแล้าแล้เจาะลึกจับละเอียดลงไปแล้วแล้วเล่าล ขยับไปเรื่อยเวลากําหนดความเกิดแก่เจตตายเนี่ยไม่ใช่บอ<ๆ>กกำหนดเองนี่ยังไม่ถึงขณะจะลาขณะมรณะเราก็ยังยั้งใจที่จะไม่พิจารณาถึงชาติไม่พิจารณาถึงเหตุเกิดของชาติไม่ได้ห้ไม่ได้หา้มหามไม่ทําอย่างนั้นแต่ว่าเรากําหนดเห็นองค์ที่หนึ่งได้แค่ไหนก็กําหนดเข้าไปหาชาติในอัตราส่วนแค่นั้นต่างกันเพียงว่า ชาติมาในฐานะเป็นเหตุนะผมยกตัวอย่างว่าเมื่อเราเห็นภัยของความแก่ความน่าจะตึงกลัวขงความแก่รู้สึกลังเกียจอย่างจับหัวใจเกิดแก่เจ็บตายอแก่ตายเงี้ ย, ย น, นะนึวกว่าทําไมถึงแก่ถึงตายความรู้สึกก็ไปสร้างข้อังเกีะกับความเกิดชั้นอย่างไม่ยินดีพอใจในความเกิดชั้นอย่างเห็นว่าไอ้ความ แก่และความตายนั้นมาจากความเกิดอย่างที่เข้าใจได้นี่แหละแล้วไอ้ความแก่ไอ้ความเกิดอย่างที่เข้าใจได้นะ่ะเกิดขึ้นมาจากอุปาทานของเราอย่างไรซึ่งพวกนี้อธิบายเป็นทางหลักได้ทั้งนะั้นแล้วก็มีอยู่แล้วก็หลายคนที่ได้ฟังหลักตรงนี้แล้วก็เข้าใจทราบถึงได้มันก็ค่อยๆจับลึกเข้าไปอย่างนี้ไปถึงอวิชชา มันแบบเดียวพอเรามองเห็นกิเลสของเราอาวิชาของเราตันหาของเราอยู่ทุกวันนี้นะว่าเราเข้าใจกิเลสแค่ไหนทุกวันนี้ไหมไทุกวันนี้อย่างคนปฏิบัติมันก็ลึกลงไปลึกลงไปไอ้ตอนหนึ่งเราก็ว่าก็ลึกแล้วเข้าใจยากแล้วเอ๊ะทำไปทำมามันก็มีลึกลงไปกว่านั่นกว่านั่นกว่านั่นเรื่อยๆไป เพราะฉั้นก็กําหนดไม่ได้นับไม่ได้แล้วไม่ควรจะต้องตั้งหลักนับว่าบุคคลควรกําหนดปฏิจจสมุปบาทกี่หนกี่รอบเหมือนกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่จะตั้งหลักตั้งเป้าหมายว่าจะกําหนดเข้าออกกี่รอบกี่หนอย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้ตั้งไม่ได้เราพูดว่าตั้งไม่ได้เว้นแต่ว่าจะตั้งเพื่อเป็นอธิษฐานเพื่อบังคับความเพียรของตัวเอง ซึ่งมุมผลในแงยอื่นมันอาจได้ที่ที่ว่าเรื่องนี้ที่ว่ามันยากเนี่ยราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนหลักเป็นเชื้อเนี่ยมันไม่กระจายว่าไอ้อุปาทานมันคืออะไรมันเป็นเหตุปัจจัยอย่างไรนะให้ปัจจัยพื้นฐานเป็นเชื้อเนี่ยมันพอจะไปสืบสอรหรือไปดูให้ได้รู้สึกทราบซึ้งต่อในภายหลังหรืออาวิชาเป็นอย่างไรเนี่ยนะมันก็ไม่รู้สึกทราบซึ้งหรือว่า สังขารทั้งบุญทั้งบาปนี่ไม่น่าพอใจทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำไปเห็นสังขารแล้วแล้วก็รู้สึกว่ากัวสังขารทั้งบุญทั้งบาปไปหมดเห็นภัยไปหมดเนี่ยเรากลัวบุญไม่เป็นบาปนอาจจะกลัวเป็นบาปก็กลัวบางอย่างไม่กลัวบางอย่างแต่ว่าคนที่รู้สึกตัวบุญเนี่ยเรารู้สึกกันได้ครับ เห็นบุญเป็นพาละเนี่ยไม่ทราบใครเคยรู้สึกบงเราเข้าใจได้ในระดับสูงตามแค่ไหนก็ช่างเถอแต่รู้สึกได้ว่ามันมันน่าเบื่อหน้ากลัวแค่นิดหนึ่งซึ่งอธิบายได้ยากในทางเหตุผลคือพูดนะพูดได้แต่ให้ความเกิดความรู้สึกเห็นด้วยนั่นเป็นเรื่องยากไอ้กลัวบุญบาปเนี่ยมันก็เหมือนกลัวความรู้สึกเป็นสุข ตัวบาปก็มีความรู้สึกเหมือนกลัวเป็นทุกข์เบื่อกันมันนองนี้ทำแล้วเดี๋ยวก็ไปไปมาหมดอีกเสี่ยงอีกต้องทำอีกโย่ให้ติดโย่ให้ยึดโย่ให้หลงอีกมันพึ่งเอาเป็นสาระถาวร อ, อะไรไม่ได้แล้วก็กีเลยก็มักจะเข้ามาเกือดตัวหนีไม่พ้นถอนไม่ได้บักทีมันทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ค่อยๆลึกค่อยๆลึกและ เมื่อมันจับลึกเข้าไปถึงขั้นไหนก็หมายก็ว่าการละในขั้นนั้นเกิดละคือไอ้ลังเกียจเนี่ยคือละนี่ก็พูดแบบตีคลุมไปถึงองค์ตนผมก็บอกแล้วว่าอธิบายอย่าผมไม่ใช่ว่าอธิบายยากอย่างเดียวผมไม่ได้หมายว่าผมเข้าใจแล้วผมอธิบายให้ท่านเข้าใจเพราะาท่านไม่เข้าใจอย่างผมผมไม่ได้หมา ย, ยางั้นนะคือผมเข้าใจเองก็ยาก เข้าใจอย่างที่ท่านว่าอย่างท่านเข้าใจเข้าใจยากยึง อ, ยงอธิบายยากในเห็ุนี้แล้วก็ปฏิบัติยากสำหรับเรื่องเรื่องปฏิเพราะว่าองค์มันเยอะแล้วออกมาในรูปของเหตุผลแล้วปฏิจจาผู้ปฏิบัติปฏิจจารมันต้องมีพื้นในทางปริยัติลึกพอวิปปัสนาภูมิในบับเนี่ยเป็นเรื่องจาเป็นกว่าอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ย ไม่ต้องรู้อะไรมากก็พอปฏิบัติได้เพราะว่ารูปแบบหรือหน่วยของอารมณ์น้อยลักษณะความหลากหลายมีน้อยนั้นปฏิจจจึิงเป็นเรื่องของพวกปัญญาจริตมีประวุทิศาสตเป็นต้นก่อนสูตรนี้นะเราก็จะจบแต่ว่าก่อนจะจบเนี่ยมีเนื้อความที่จะต้องพูดกันคื อ, อดูหน้าสี่กหน่อยครับ <c oughs> หน้าสี่ก็พบวน ตั้งแต่ประเด็นเจ็อที่ว่ารู้โดยอาการสี่ว่าสังขารคืออะไรเนี่ยพูดโดยสังขาร อ, อะไรไม่ใช่รู้แค่รู้ว่าสังขารคืออะไรแต่รู้สังขารในฐานะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายอย่างวิปัสนารู้สึกรู้แบบรู้สึกด้วยเหมือนกับคนกําหนดรู้นามรูปด้วยอิริยาบถด้วยอะไรอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่วรู้ว่าคืออะไรหนึ่งสองสามแล้วก็แค่นะั้น ต้องรู้อย่างเบื่อหน่ายโดยความรู้สึกของอารมณ์วิปัฒนาแล้วก็ที่รู้ว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับนี่ไม่ใช่รู้ในลักษณะว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับจะดับเมื่อไหร่ไม่รู้หรือจะดับหรือไม่ดับก็ตามใจไม่ใช่อย่างนั้นรู้อย่างนี้ด้วยและก็ดับด้วยไปตามส่วนนี้ลดละอวิชชาไปตามส่วนด้วยถ้าเราเห็นภัยของสังขารเช่นว่า เราเห็นภัยว่าการฆ่าสัตว์ถึ่งเป็นอกุศลสังขารอย่าหนึ่งไม่ดีเกิดจากอาวิชชาของคนโง่ในเรื่องนี้ตรงนี้แค่นี้พอเราเห็นว่ามันไม่ดีเราก็รู้โ อ, พอเพราะเโง่เราถึงไม่กล้ารู้อย่างนี้เมื่อเราฉลาดเราก็ไม่กล้านั่นนแปล ว, ว่าเราละอวิชชาที่จะทําให้เกิดสังขารในระดับนั้นได้อย่างคนไปปฏิบัติแล้วกลับมายุ่งก็ไม่จบอะไรเงี้ยนะ ก็คือแบบนี้ใครไม่ได้มาตังมาสอนถามจริงๆแล้วก็คือเขารู้นะรู้อะไรบางอย่างนั่นคือเ้าดับเอาวิชาที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสังการในระดับต้นในส่วนหยาบนั้นได้แล้วแต่พราะมันยังไม่เป็นสมุดเขตถึงกลับมาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นยังเก่าวได้อีกแล้วก็มักมีอง 8. แปดไอ้มักมีองแปดนี่ท่านพูดแบบเต็มรูปแต่ถ้าไม่เต็มก็คือ คนปฏิบัติธรรมแล้วรู้ว่าอันนี้นะมีเป็นศักยภาพที่จะทำให้เกิดการรู้แล้วกันละไม่มีทางอื่นเห็นเป็นของวิเศษเห็นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นหนทางเดียวตรงกันหมดข้อนี้เพราะว่าเรากำหนดเจริญสติความเจริญในธรรมที่เราได้ก็คือมรรคแปดที่อบรมในขั้นต้นๆ น, นั่นเอง ใช่ไม่ใช่คนที่ปฏิบัติเราได้อารมณ์ได้นี่ยแล้วเห็นคุณค่าของของสติใช่ไหมเห็นคุณค่าของภาวนาเห็นเครื่องมือเห็นทางออกว่านี่คือทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นและสามารถจะอธิบายถึงไอ้สภาวะความมหัศจรรย์ของสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งที่เรื่องนี้อานิสงส์ของสิ่งเหล่านี้ โลกเข้าใจได้แสนยากเย็นทีนี้ไอ้ที่คือเป็นเรื่องยากอันอนที่จะต้องพูหนึ่งคืออันวยายญาณในสังขารที่มีข้อความว่าอาริยสาวกรู้ชัดสังขารอย่างนี้รู้ชัดเทเสรู้ชัดในโลกอริยสัจนะนะฮะอริยสาวกนั้นย่อมนําในในอดีตและอนาคตไปด้วยธรรมนี้ที่ตนดูแลเห็นแล้ ว, ลวไม่มีผลมาก่อกนตการ อันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างลงแล้วอันนี้นะฮะนี่เป็นถือเป็นเรื่องพิเศษประการหนึ่งว่าอันวยะยานเนี่ยพูดเป็นสองระดับอันวยะยานมีสององค์ธรรมแต่พูดเป็นสองระดับคืออันหนึ่งเป็นโลภียานอันหนึ่งเป็นโลภตระยานพูดทัง่ายๆว่าอันหนึ่งน่เป็นวิปัสนาอันหนึ่งคือผลระยานเรียกอันวยะอันวยะยานแปลว่ายานที่กําหนด โดยในส่งในไปทำนองเดียวกถ้าเป็นขั้นขั้นความคิดที่เรียกว่าในญหติุในในกาลามาสูรแต่ขั้นความคิดเอาแน่ไม่ได้ครับการส่งในด้วยเหตุผลหรือข้อมูลในขั้นความคิดเนยอาแน่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นการส่งในด้วยข้อมูลทางภาวนาแล้วเอาแน่ได้และตัวเองจะรู้สึกมั่นใจเลยคืออย่างนี้ คนที่ทำวิปัสนาพอไปเห็นไอ้กระบวนการของปฏิจจะอย่างนี้อย่างแจ้ง แ, ง แ, งแล้วเนี่ยนะมันมีความรู้สึกขยายตัวเขาเรียกว่าความคิดทรงในขยายตัวไปหาอะไรไปหาอาดีตว่าอาดีตเราเนี่ยไกลแค่ไหนก็หนีไม่พ้นไอ้หลักอันนี้อนาคตไม่พ้น ห, หลักนี้และคนอื่นก็ไม่พ้นอย่างนี้แล้วก็ในในค่าของความเจริญมั้ ถ้าใครไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่ทำอย่างนี้ก็รู้ไม่ได้ไม่รู้อย่างนี้ก็พ้นไม่ได้เกิ ด, ดความรู้สึกที่ประกาศชัดเจนขึ้นมาในใจอย่างลอบตัวนี่เรียกว่าเป็นการส่งยานทั้งที่ไม่ได้ไปเห็นตันตาเงี้ยก็จริงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันฟ้องอดีตฟ้องอนาคตตัวเองฟ้องคนอื่นพณะสมาครามเหล่าอื่น เวลารู้อย่างนี้ก็ต้องรู้แบบนี้ไม่ให้อย่างอื่นความรู้สึกมั่นใจนี้ก็จะปรากฏขึ้นอันนี้เรียกว่าอันวยายญาณ อ, อย่างสมมติอย่างเราได้พัฒน า, ายาณก็จะมีะมีมากมีน้อยใกล้ไกลแค่ไหนอยู่ที่ระดับญาณด้วยแล้วก็ถ้าเป็นพระอริยะแล้วผ่านมรรคผ่านผลไปแล้วเมื่อจะพิจารณาทบทวนให้แน่ชัด ในขณะแสดงธรรมหรือจะปัจเจเวกับตัวเองให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ถ้ามีบุพเพนิวาสามีอนาคตังพยานก็เอามาประกอบย้อนและลึกชาติกลับไปดูอาศัยใครว่าอาศัยอาพิญญาเนี่ยสองแล้วเอาปัญญาีิปัสนาเข้าไปวิคร์ลึกก็ออกมาเลยแน่ใจเลยว่ารวบยอดแล้วเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นคนเมื่อปฏิบัติถึงตรงจุดทตานองอย่างนี้ก็จะได้ความรู้สึกอย่างนี้เพียงแต่ว่าถ้าระดับเราเราเนี่ยบางทีมันเอาแม่ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ไอไอระดับยานนํามันสูงต่ำแค่ไหนต่างกันก็ไอระดับเราเราก็อาจจะเผื่อๆไว้บ้างนิดหน่อยหวงอาจจะมีอะไรบางอย่างมาบดบงังไอไอในของเราก็ส่งไปในลักษณะที่ ความรอบคอบอาจจะน้อยความลึกอาจจะไม่มากเรื่องนั้นเป็นได้อันวยายยานอีอยางหนึ่งเป็นชื่อของผลระยานทําไมจึงเรียกผลระยานว่าอันวยายยานอย่างข้อความสุดท้ายว่าทำรรมายานทำมายานคือมั้ยยานในธรรมคือยานในอริยสัจจะธรรมทำกิจสมบูรณ์ในอริยสัจละก็ละในนี้จะเลิญก็จะเลิญอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบในนี้ อันวะยาเนแบบแี่ยแปลว่ายญาณที่ยังรู้ตามในอันมักส่งมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผลลยานเนี่ยรู้อย่างมักรู้หรือไม่ก็ตอบว่ารู้อย่างมักรู้เพราะมักเขาส่งอำนาจความรู้มาให้เป็นวิบากของมันเพราะนั้นมักรู้อย่างไรผลลยานก็รู้อย่างนั้นเป็นวิบากของกันและกันเนี่ยฉันบอกว่า อันนี้แหละทำเป็นธรรมชาติบริสุทธิบุปปั้งของพระอริยสาวกไกลรู้อย่างนี้ก็ถึงพร้อมด้วยทิติมาสู่ธรรมประกอบด้วยยานของพระเสกขะถึงกระแสเบื้องบนอา่อาอริยะบุคคลผู้มีปัญญาเครื่องจ่มแน่ยืนชิดประตูนิพพานอย่างที่เราเคยเคยถึงมาแล้วแต่มีแง่มุมจะต้องพูดติดติดไว้ในสูตรหลังอีกสักทีสูตรหลังจะเป็นยาณวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดอย่างเพิ่มกว่านี้อีก เกือบเท่าตัวนะฮะวันนี้ก็จบประสูตรสิงธานีนะครับแล้วก็จะพักการบรรยายสำหรับผมนะสองครั้งแต่ว่าคราวหน้านะก็ยังมีกิจกรรมอยู่น ม, มนมลพระท่านมามาพูดมาเทศให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังก็นี้มนโยมาด้วยนะมาฟังแล้วก็จะจะหยุดในวันวันเสาร์วันอาทิตย์ถัดไป